ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่99โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง m อ3สแผ่นที่99ให้คติธรรมว่าโยคาเวชายาเตภูริผู้มีปัญญาย่อมเกิด พ่อการใช้คือคนที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องพยายามใช้ความคิดใช้บทวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆอย่างหลักธรรมที่ท่านได้ตรัสได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะมีปัญญาได้ต้องตั้งความสงสัยไว้ ในเมื่อสงสัยแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องนั้นๆในเมื่อเราวิเคราะห์เรื่องนั้นๆก็จะเกิดปัญญาในเรื่องนั้นๆและก็เรื่องอื่นๆก็เช่นเดียวกันถ้าว่าพวกเราใช้จติตใช้ปัญญาใช้แนวความคิดการกรองไตรตรองเหตุและผลก็จะเกิดปัญญาที่แท้จริงแต่สรุปแล้ว คนที่จะเกิดปัญญาก็ไม่หนีหนีไม่พ้นที่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าสุดตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วรันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้ว นำมาพิจารณาด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นหลักธรรมคาสอนที่ว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการใช้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็อยู่ของมันอยู่ในใจของเราอยู่ในสมองของเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ความคิดมันก็อยู่ของมันเพราะนั้นการปัญญาจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้อง อาศัยแนวความคิดอสอดส่องศึกษ า, เ, าเรียนรู้อาศัยการได้ยินได้ฟังาจากท่านผู้รู้มาแล้วก็นำมากันกรองไตรตองเหตุและผลด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัทธ์ไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทิน